ถ้าจะพูดถึฤฤฤฤฤงก็พุทธเจ้ารงใช้วิธีการสามอย่างประดิษฐานขพุทศาสนาขึ้นคือวิธีการแรกเรียกว่าวิธีปฏิรูปวิธีการที่สองเรียกว่าวิธีการอี่สอเรียกว่าวิธีปฏิวัติวิธีการที่สามเรียกว่าทรงบัญญัติมรรคธรรมขึ้นมาใหม่สามอย่างสำหรับวิธีการแรกที่เรียกว่าวิธีปฏิรูปนั้นหมายความว่าความเชื่อถือและ ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีในพระเวทหรือมีในศาสนาพราหมณ์มาแต่เดิมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนบางเหล่าคือไม่ขัดต่อเรื่องของมรรคผลนิพพานแล้วแต่ถ้าอา่จะเป็นประโยชน์แก่โลกิยเชนแล้วพรองค์ก็ทรงอนุโลมนําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในพรศาสนาเหมือนกันไม่ได้ทรงปพิเศธคัดทานศาสนาพราหณหรือพระเวทโดยตะพุธตะพือในข้อนี้อาจจะปรากฏ มีพุทธกัตจณะตรัตรัดอาเจราตาัดตะัสปาอาเจราตาัดกัสสปะตั้งปัญหาถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโอโดมนตะิเตียนกรรมบำเพ็ญตะบะไปเสียทุกกรณีกรหรือเพราะเขาได้ยินข้อพรหาของพวกนักบวชนอกศาสนาี่ว่าพระพุทธเจ้านั้นตัมีกรรมเพ็ญตบะทุกอย่างพสาคดาะลับตอบกัะบอาเจรตัดกัปะว่าดูก่อนกัสสปะสถาพทไม่ได้ตัณหิติเตะะเียนผู้บำเพ็ญตบะไปเสียทุกกรณีรอก เพราะว่าผู้บําเพ็นตะบะบางเหล่าหรือบางคนทําไปแล้วหลังจากการแตกทาลายแห่งกายก็เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ก็มีอยู่แต่บางเหล่าหรือบางคนทําไปแล้วหลังจากการตกทลายแห่งกายก็เข้าถึงสุกติอินนิบาตนรุก็มีอยู่เมื่อเหตุผลขอ้อเท็จจริงเป็นอยู่เช่นนี้สถาคดไหนเลยจะตมิตรติเตียนผู้บําเ็นตะบะเสียทุกกรณีเล่าดูก่อนกั บ, บกตะบะตบะเหลา่าใดถ้าบรรเทนไปแล้ว เป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์แม่ตะบะเหล่านั้นสถาคตระรังแต่ถ้าตะบะเราได้จะบำเพ็ญไปแล้วเป็นเตให้บุคคลเข้าถึงสุก ต, ติอินิบาตารกุก้าสถาคตระปฏิเสธอาพุทธพจน์ในขอน้อนี้จึงเข้ากับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปคําสอนในตาสนาพามณ์แต่เดิมคือดูมาเห็นตะบะนี้ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปอย่างหละบหูหลับตาโดยไม่รู้ขอ้อความหมายของการบำเพ็ญว่าการบำเพ็ญตะบะต้องการที่จะอย่างกิเลสอย่างความเห็นแก่ตัว ให้หมดไปจากขั้งขันดาลนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดวิเศษหรืออํานาจถ้าอย่างนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแต่การมันเป็นตะบะอันใดถ้าเป็นไปเพื่อขัดเกรากิเลยของตัวเองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับรองยกตัวอย่างหนึ่งผูดงสิบสามผู้ดงสิบมนี่เป็นการมันเป็นตะบะอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโลมเข้ามาให้สษาบันปฏิบัติในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ทรงบัญญัติเป็นกฎตายตัวว่าถ้าทุกทุกจะต้องมันเป็นผุ้ดง เปล่าเลก็ได้บัญญัติเป็นกฎตายตัวเลยแล้วแต่ว่าสาวกผู้ใด ย, ยินดีจะสมาทานทุดงก็เป็นเรื่องอสิทธิของสาวก ร, รู้นั้นแต่ถ้าสาวกรูร้ใดไม่ยินดีในการสมาทานทุดงก็เป็นสิทธิของสาวกรูร้นั้นอีกเหมือนกันท้าวติจ้าไม่ได้ออกบัญญัติเป็นข้อตายตัวว่าจะต้องบันเทิงทูดงขวัดไปเรื่อยๆในข้อนี้จึงเป็นเท่ากับเป็นการตอบปัญหาเ ร, รื่องพระเทวทัพตั้งข้อบัญญัติขึ้นมาแล้วขอให้พระาวติจ่ารับรองประกาศเป็น ขบัญญัติพระพิพิตจ้าไม่ทรงบข้อทั้ง5ข้อนั้นถ้าพิจารณาดูแล้วก็คือการบำเพ็ญตบะนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในข้อที่ให้พระอยู่คลนไม้ตลอดชีวิตให้พระงดเว้นกรรมฉันเนื้อฉันตาตลอดชีวิตให้พระตรงบงังคุกุนจีวอนตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นด้วยข้อเหล่านี้นะความจริงก็เป็นเรื่องของดงดยกเว้นแต่เรื่องข้ อ, อฉันนื้ฉันตาไม่ไมด้รวมเข้าไปในข้อทูดงนั่นเองนอกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นข้อที่มีอยู่แล้วในทุดงขวัต แต่ทำไมพระสุชาติไม่ตรงอนุโรมตามพระเถรวัตรัก็เพราะว่าพระองค์ถือว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องการปฏิบัติอย่างผุกดิษอย่างผู้ดงขวัฒนี้เป็นหน้าที่ของปัจเจ ก, นกนชนจะทํากระดาไม่ทาก็ได้ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่ได้มรรคผลอิพา น, านแต่ถ้าทําแล้วก็รูร้จวาหมายต้องการทําแล้วก็จะเป็นไปเ พ, ยย พ, ยยพยยื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนคนนั้นแต่ถึงไม่ทําก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ขีดขวางต่อทางมรรคผลอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพระสุ่ายท่านให้วิธีปฏิรูป ข้าเขาเทวทัตนะไม่ต้องการแค่ปฏิรูปต้องการจะออกเป็นกฎบัญญัติตายตัวอย่างพวกอัตฉริยะมรรคตุลกุลศา ส, สนาเชนเขาบัญญัติกันเลยทีเดียวว่าทำไมทำอย่างนี้แล้วไม่ได้ ท, ไทำไมทาอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้มรรคผลอิพานถ้าทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงปฏิเสธพระเทวทัตอ่ะไออันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิรูปขอพระพุทธองค์ที่มีต่อพ่อวัดต่างที่รำเนียมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาก่อนนะครับอันเนี้ วิธีการปฏิรูปอีกอย่างหนึ่งก็ยังยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ํำคือพวกทรงถือว่าการลอยบาปในแม่น้ำสักติดนั่นเป็นผลดีแต่การปฏิบัติขัดเตากิเลสข้อนี้พระพุทธเจ้าก็เไม่ทรนปฏิเสธเด็ดขาดแต่ตรงใช้วิธีปฏิรูปคือผู้ยังผู้ง่ายว่าวิธีของพระพุทธเจ้านั้นทําให้บัวไม่ทําหน้าไม่คุนไม่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าอพุทธศาสนาจะมาขัดขานความนิยงความเลื่อมใสที่เขานักถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เข้ากับว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้หลักจิตวิทยาหรือใช้หลักวิชาครูในการเผยแผ่ศาสนานั่นเองไม่หักลํามากักโคตรไม่หักลํามากักโคตรแต่ชใช้วิธีคล้ายๆว่าทำน้าเย็นขรุวิธีนี้คือวิธีปฏิรูปถึงผลิต ก, กับถามพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าพระครูดมไปลอยบาปรในแม่น้ำทางหูกาบางไหมในแม่น้านําคงคาอจิระวดีไม่ที้สระรูบ้างไหมพระพุทธเจา้าบอกว่าการลอยบาตรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่การลอยบาตรตามวิธีการของพระอริยเจ้าแต่การลอยบาตอีกอย่างหนึ่ง ลอยแล้วตัวอาบน้ําแล้วตัวก็ไม่เบียกผมก so ็ไม่เบียกเสื้อผ้าก็ไม่เบียกแล้วก็บาบก็หมดไปด้วยวิธีอย่างนี้พระอริยเจ้าเอาฉันเสริมกันสุนทริกระทก็สงสัยว่าเอ๊ไอพิธีอาบน้ำลอาบาบีตัวไม่เปียกผมไม่เบียกเสื้อผ้าไม่เบียกนะมันลอยกันยังไงมัอาเป็นยังไงเกิดความสงสัยถึงมาซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้จิตวิทยามาเหนือเมฆในการค่อยๆชักจูงสภัทาปสาภาาของสุนทริกระมำเราจึงตราให้ฟังหล้วหลังจากที่เรื่องควาสงสัยแห่ความคุ้นกันเกิดขึ้นแล้ว บอกว่าวิธีลอยบาทในอริยวิไนยนั้นก็ได้แก่การสมาทานศีลการดับเปนเนอ็นชานสมาบาัติให้เกิดมีในตัวซึ่งเป็นการลอยบาบ ท, ที่ตัวไม่เปียกผมไม่เปียกเสื้อผ้าก็ไม่เปียกบอกอย่างนี้แล้วทุงตรีกฐามก็มีความเลือกใส่อันนี้เห็นว่าการใส่ศาสนาต้องใช้วิธีการพาระพุทธจ้าเหมือนกันนะครับ ใช้วิธีหักล้ำหักคูนไม่ได้อย่างชาบ้านเขาอต่างคานถ้าูกันเราจะไปหักล้ำหักคูนบอกว่าเฮ้ยาคูดทิ้ง่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคาสอนพพุทเจ้าที่หนให้ติดงเทวดาต้อพุทธศาสนาสกฎแห่งกรรมใครในใจรู้ถ้าโูมที่ี่จะรับจังรเองหรือให้รีอย่างนี้มาหักลหักคนเขาไปไม่สมควรถ้าแม้แต่การทาเทวตาปรีในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็รับรองการทเทวตาปรีนี่ก็แสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หักล้ำหักคูความเชื่อถือดั่งเดิมที่มีอยู่ในประชาชน มาแต่ก่อนรวมทัここ้งการเนต์เทวตารุจต hey, ิกับเทวิตีปฏิรูปของพระพุทธองค์ถ้าเมื่อประชาชนเขาติดเทวดาเขาบูชาเทวดาจนเคยชินแล้วถ้าพระองค์ก็ปฏิเสธหักฐานว่าการมนต์ถึงเทวดานม่มีประโยชน์อย่างนี้ไปขัดความขัดคนเขาพระองค์ก็ให้ความหมายใหม่บอกว่าการมนต์เทวดานี้ประโยชน์แต่ต้องมนอย่างนี้คือมนต์ถึงคุณธรรมว่าเทวดาที่เป็นเทวดาขึ้นมาได้น่ะเาศัยใจคุณจะต้องบบอะไรให้ลนึกถึงคุณจะต้องแบบอันนั้นแล้วก็ เมื่อเขลึกอย่างนั้นแล้วขอให้พิจรารณาตนเองว่าตนเอ ง, อเองะมีคุณมธรรมบัตรอย่างเทวดาที่ทันมีวิล่าอันนี้จะเห็นกับบินวิธีการมาหนูเมฆของพระยุตเจ้าเป็นการปติรูปความเชื่อในศาสนาพามณที่เขาติดพระเจา้าเขาเองก็สอนพระเจ้าเมือนการแต่เป็นพระเจ้าโดยคุณธรรมการลึกถึงคุณธรรม ท, ที่ ท, ทําบุคคลให้เป็นเทศให้เป็นชมการได้ลกถึงคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่ให้ลึกึงคุณธรรมอย่างอื่นในสมัยพุทธกาลจึงมีพระอรหันตองหนึ่งชื่อท่านมเทวะ ท่พระมาเทวะเนี่ยท่านเป็นอาหารหันต์แล้วแต่จริงแต่มารดาโยมท่านน่ะยังเป็นวิชาพิจิรนับถือพระพรมซึ่งสงฆ์พระพรมทมี่เป็นสุ ก, กราติฐานอยู่วันหนึ่งท่านมารดาสุมเทวะก็ตังต้งกองไฟจะบูชาพระพรหมเฉลอเป็นการใหญ่อ้อนวอนพระพรหมลงมาปรากบตัวในในวันนั้นน่ะก็เทวดาก็ทนเห็นการกระทําของโยมท่านพระมาเทวะไม่ได้ว่าแม้ท่านญิงคนนี้นะ่ะช่างโง่เสจริงๆ พระพที่มีชีวิตคือลูกของท่านน่ะเป็นอยู่ในโลกมาให้ท่นนนานเห็นหน้าอยู่ทุกวันทุกวันนะไม่เแสวงหาแต่สแสวงหาพระพมที่อยู่ในรลกอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลาจากโลกม น, นี้โลกม น, นุษย์นี่ตั้งหลายโกดหลายล้านรูเทวดาองค์นั้นก็ปรากฏตัวมาเห็นก็เป็นลูกพรมาเทวดานั่นเองปรากฏตัวมาบอกว่าดูก่อนไม่นายไม่นายนะบูชาพรต้องอวยพรนะ่ะไม่นายเคยเห็นพ ม, มาปรากฏจะไม่นายหรือไง นางก็บอกไม่เคยเห็นถ้าไปเคยเห็นีจริงอยากจะบูรสวงบูชาให้ผกกกใจพระพอยากจะให้พระมมาปราบตัวมเอนันก็บอกว่าลูกของแม่นายทนพเละเป็นคมของพรหม่าไม่ก็ไม่นายเห็นลูกนางเนี่ยเป็นครจริงๆท้าไม่รู้จักหาพรองค์นี้ล่ะเือนหนี้แหะเป็นทรหมเรื่องของท่านธรมเทวะนี่ก็เท่ากับแสดงเห็นหลักพุทธปรัชญาในข้อที่ว่า อาพุทธศาสนานี่เป็นฮิวแมนนิสต์พระปาภาษังก็เรื่ฮิว ism, แมนนิสต์แปลว่ามนุษยเทียภาพนิยมคือดึงสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ดึงให้สิ่งสูงสุดมาสู่ในกายคนในร่างในจิตใจคนพง่ายๆว่าทุกคนอาจจะเป็นเอวดาเป็นอินเป็นพรโดยคุณสมบัติไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเกิดในโลกหน้าพกหน้าอันนี้ก็เข้าหลักกับหลักทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแม้คนที่เขาไม่เชื่อเรื่องพาราโลกจะมีจริงเราก็อาจใช้วิธีการเรียกกายทิศโลกพม โ, โลกสวรรค์มาอยู่ที่คุณสมบัติโดยจิตใจ พระพุเจ้าเองในบา ง, บางในบางตอนเช่นในสังกิตมิกายได้แสดงนร ก, กนสวรรค์อยู่ที่อายุตนะองคคือว่าอายตนะรับสมัะเนี่ยถ้าได้รูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีทธธุตภารมดีแล้วก็ธรรมารมที่คิดนึด ก, ก็ดีสบายเป็นที่ตั้งแห่งความสียมนับแล้วพระองค์ก็บัญญับเป็นสุกติเป็นสวรรค์แต่ถ้าในปรการตรงกข้าม ถ้าอาุตะระหนักอกลัอารมณ์ที่เร็วที่เป็นไปเพื่ความเสียแทงให้เกิดวิปติสารแล้วพระองค์ก็ผลักกันอยากว่าเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นวินิบาตอันนี้ก็เท่ากับว่าย่อนนระดัสวรรค์ลงมาที่อารมณ์ทางอายุตนะซึ่งเป็นกันได้ทุกุกคนมีกันได้ทุกทุกผู้ทุ ก, ทกนามนี่ด้วยวิธีการปฏิรูปในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงทำขึ้นวิธีการปฏิรูปแบบนี้อาข้อประตามที่สเรียกว่าวิธีปฏิวัติปฏิรูปและปฏิวัติจะต่างกัน ปฏ่นะรูปนะแปลว่าเปลี่ยนแปลงของที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มันผิดจากของเดิมแต่ไม่ถึงกับว่าหน้ามือเป็นหลังมือไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนขาวเป็นดำไม่ถึงอย่างนั้นแต่ปฏิวัติแล้วเป็นการพลิกหน้าเป็นหลังเลยเปลี่ยนขาวเป็นดำเลยไม่ใหช่ ค, ค, ค่อยๆทำค่อยๆไปละตอเนี้ยวิธีการที่สองพระพุทเจ้ท่านก็ใช้คือวิธีการปฏิวัติวิธีการปฏิวัตินี้ได้ แ, แต่ละ คือในเมื่อความเชื่อของสมณะพราหมเจ้ารนนัติทั้งกัณฑทุกๆรัติเขาเชื่อกันว่ามีอัตตาแต่เขาไม่ได้เจ้าตนติเตออัตตาโดยใช้คำว่าอันตตาขึ้นมาเรื่องอนันตตาจึงเป็นเรื่องปฏิวัติความรู้สึกในจิตใจของพวกเจ้ารัติทั้งหลายในอินเดียข้างนั้นอย่างหน้าเป็นหลังทุกๆรัติถือปัญญาอัตตาทั้งนั้นแล้วแต่ว่ากําลังของอัตตาจะไปแท่ไหนเช่นพูกที่เด็กปฐมฌานก็ปัญญายาตตาในปฐมฌานพวกที่ได้ทุติยฌานก็บัดปัญญายาตตาในทุติยฌาน แม้กระทั่งพูกที่ได้แนวญญาาสัญญาณาสัญญาญตนะก็พัญยัดอัตตาในแนวสัญญาณสัญญาญาตนะเป็นขั้นขั้นไปและปทูทตาสูตรในบาลีพีคมิกายมีข้อความกล่าว ถ, ถึงการถืออัตาตาสามเหล่าซึ่งเป็นสรุปรวดรว ด, รวดยอดของบรรดาอัตตาทั้งหลายในปรัชญายของอินเดียคืออัตตาที่สําเร็จเด็กคำข้าวห ย, ยายาบอัตตาที่ต้องเด็จเด็กกระบลิงกระหานพวกหนึ่งได้แต่ไก่นี้ น, นี้่ไก่นี้เห็นกันได้ อัตราที่เป็นกายพิษเป็นกายพิษอย่างหนึ่งแล้วก็อัตราที่เป็นสำเร็จที่สัญญาอย่างหนึ่งสามอย่างด้วยกันอัตราคาถาแก้อัตราสามอันนี้ว่าอัตราที่สําเร็จเปิดกวลิงกราอานเป็นภัาษานั้นคืออัตราของมนุษย์เปรตอสุรกายที่เป็นกายเนื้ออัตตาที่สําเร็จเป็นกายพิษเนีสำเร็จที่ใจด้วมโนมยาอัตราเนี่ยสำเร็จิ ดอำนาจอย่างนี้คือได้แต่พวกรูปา ร, มมรป า, าจารพุทธมิัชลรูปาประจารเซนอำนาที่เขาจะติดสัญญานั้นเป็นอัตนาของวพวกโภคารูปาราจาระกองอำนาจสามเหล่านี้ครอบอัตนาจทุกประเภทหมดเป็นการถืออัตมันของบรรดาธรรมะพราหมณ์ในครั้งกันนั้นสามอย่างและแต่พระพุทธเจ้าตรัสกับนายปุถาราชซึ่งเป็นปริพายทกทรงปฏิเสธอัตนาทั้งสามอย่างนี้ว่าไม่มจริง เวลานั้นมีคนคนหนึ่งชื่อนายิตติ์ตั้งตั้งข้อสงสัยถามพระพุทธเจ้าว่าก็เมื่อพระองค์สอนสอนเรื่องอนัตตาปฏิเสธอัตตาตั้งแต่ชนิดหยาบกระทั่งชนิดละเอียดคืออัตตาที่พราพุทธเจ้าสัญญาอย่างนี้แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วใคร่เป็นผู้ที่จะละอัตตาใครคือพวกนี้อดที่จะไปตั้งข้อวา่าเอาละละอัตตาในทีละขั้นละขั้ น, น, นไม่ตั้งข้อสงสัยในประเด็นสุดท้ายว่าใครเป็นผู้ละถ้าหากว่าจำไม่มีเป็นขั้นขั้นอย่างนี้แล้ ว, ลวก็ ยังในปรัชญาศาสนาราหมณ์ที่มีอัตราเป็นใหญ่นั้นอัตราละเอียดและอัตรายาวยังนี้เห็นได้ง่ายว่าผู้ที่ละคืออัตราละเอียดซึ่งเป็นอัตราที่แทและอัตรายาวที่เป็นอัตราที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่แท่เช่นอัตราที่ประกอบด้วยสัญญาละอัตราที่สําเร็จใหญ่อัตราที่สําเร็จใหญ่ก็ละอัตราที่สําเร็จเยลักษากับบาริงการอาหารยังอธิบายมีเห็นได้ง่ายในที่สุดจะต้องมีผู้ละละอัตราตัวหนึ่งหรือผู้ที่ไปสวยสุขเมื่อละ จากกุปาทานต่างๆแล้วยังต้องมีตัวผู้คนกคนุญญาภัยยังต้องมีตัวผู้คนผู้ทนทุกขถ้ามีตัวผู้นทุกข์แล้วเาจะมาโม่ลัคนะใครมาละใครมาลักทำนองเรียวกับมติของนักปฏิบัติบางสำนักในเมืองไทยที่สอนว่าการวางขันการปล่อยขันนั้นน่ใครเป็นผู้วางใครเป็นผู้ปล่อยถ้าอกจิตเตรงวิญญาณมาขันแล้วขันละ ข, ขันได้แล้ว นี่ว่ า, างั้นตองขันตัวนั้นเราจะละแล้วมันต้องมีใครอันหนึ่งมาเป็นผู้ข้าขันอันนั้นอีกทีหนึงแล้วก็ยกบารีพุทธพาติดว่าเมื่อปฏิบัติถึงขั้นแล้วก็จิตหลุดพ้นแม้จากกามาตะวะปวาตวะทิฐาตวะ อ, ะ ว, ะอวิชชาตะวะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าตนมีพ้นแล้วลพระอาจารย์ที่ควรจะบำเพ็ก็จบแล้วจี่อื่นที่จะทำอื่นจากนี้ ก, ก็ไม่มีแล้วชาตนี้เป็นที่สุดพุทธพาติดข้อนี้นะมติอาจารย์บางท่านยืนยันว่าจะต้องจิดตาัจา ก, จากัินญาณขันแนะ คือจิตเป็นผู้พ้นจากวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์น่ะเป็นขันธ์ห้จิตเป็นผู้พ้นจากขันธ์ถ้าทไม่พ้นจะรู้เลยว่าเราแบับนี้พ้นแล้วเอธรรมจันทร์อะยู่จบแล้วใครจะรู้อันนั้นก็แสดงกับจิตเมือ่อกี้ทนี้จิตก็ไม่ใช่วิญญาณนะเนี่ท่านแสดงนี้อามาติอันนี้ก็ไปตรงกับทิฏฐิของโสตสัมมาณครามที่ถืออัตตาเพราะทิตฐิของสตมมาณครามที่ถืออัตตาอนะ่ะมันจะต้องมีผู้พ้นมีผู้ละมีผู้ก ล, ล่อยผูตัวนี้แหละคืออัตตาที่บริสุทธิ์ของเขาล่ะ แล้วแต่ชั้นผุ้มการปฏิบัติว่าขเขาเข้าจะสูงต่ำแค่ไหนทั้งหมดนี้พระพุท ธ, ธเจ้าปฏิเสธหมดเมื่อปฏิเสธหมดนายจิตตาก็ตั้งข้อปัญหาถามว่าเออสมรักอัตอตาหมดแล้วเรากัใครล่าจะเป็นผู้คนละ่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตตาเอยคําว่าอัตตาอัตตานี้เป็นโล ก, กะมัญญาเป็นโลกะนิรุติเป็นโล ก, ก, ะ, ก, โล ก, กะโวหารสถาพย่อมร้องเ ร, เรียดตามเขาไปด้วยแต่หาได้ยึดถือจับชวยเอาไมา่แล้วระชุงแสดงความแปรของอัตตาเลื่อมอุตมะ น, นิหนิงนม ซึ่งค่อยแปลเป็นนมข้นเป็นเปรี่ยนเป็นกะทิเป็นตักตังในที่สุดค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนมไม่ใช่เป็นนมสดไม่ใช่นมข้นเมื่อเป็นนมข้นแล้วก็ไม่เห็นเมไม่เห็นเนมที่กลายเป็นเลวขึ้นมาแล้วไม่ใช่แล้วค่อยๆเปลี่ยนภาวะไปเราบัญญยัดเลวว่าเป็นนมข้นก็ไม่ได้มันหยัดนมข้นว่าเป็นนมสดก็ไม่ได้ภาวะมันเปลี่ยนทีละตอนทีละตอนฉันใดอัตราก็เหมือนกันเพราะว่าใครเล่าที่เป็นผู้ที่ยึดอยู่ผู้นั้นแหละเป็นผู้รัก ละทั้งตที่ผู้กระดิ่งเดือความรู้สึกพุ่งง่ายว่ามติในพุทธศาสนานั้นถือขันละขนันขันขันในขณะก่อนละขันในขณะปัจจุบันความรู i i ้สึกขันละขันที่จะเกิดขึ้นขันขณะก่อนละขันปัจจุบันขันขณะก่อนเนี่ยเมื่อละขันปัจจุบันเน่ยเป็นขันติคนละขณะคนละขณะขันมันละในตัวของมันเองขันละขันเองนี่เป็นมติในพุทธศาสนา เมื่อตปนเช่นี้ก็เท่ากับว่าเป็นปฏิวัติคามเชื่อถือตั้งเดิมที่บัญญัติในอัตตาของผูงส้สมณะครามทั้งหมดการบัญญัตออออิอันาตาของพระองค์ น, งนี่แหละจึงทําให้สมณะครามบางเหล่าเข้าใจผิดหาว่าพระพุธิธเจ้านี้เป็นฝ่ายนักิกาวาทะนักปิกะวาทะคือผู้ที่ถือเป็นนักพิถีเพ่งมองพุทธปริญญายในแง่เป็นนักปิกะพิถีซึ่ง พ, พศศระเจ้าเขาจเกิดด้วยว่านักปิกะนักปิกะพิถีเพราะเห็นว่าเขาศูนย์ในหมด คามจิงพุเจ้าหนุ่มันอยากพูดสิ่งขาดศูนย์หมดพูดอย่างนี้พูดโดยปรมตจารย์โหรหานนั่นเองแต่พระองค์ก็บอกแล้วบอกว่าคำอัตตาไปรลกก็จมัญยาไปโลกกม็มีโลกติปโลกกโหารจึงเล่เรียกตามข้าไปในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยึดถือในทางใจทางปา ก, ก็เรียกตามชาโลกไปแต่ทางใจไม่ได้ยึดถือเอาสิ่งที่เ้องเรียกนั่นแหะเป็นของจรงขึ้นมาอันนี้พุทธศาสนาจริงไม่ใช่นาศติกรรตามฝ่ายปราวาทีตั้งข้อหาเอาไวา้หลักการในโลกปฏิเสธอัตตาของพระพุทธเจ้าจริง ที่โผล่ก็มาคนามังต่ตาังก่อนไม่เคยฟังมาก่อนเลยไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วก็เป็นลูกที่ว่าเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อวัดวัดชัโคตรบริพารชกตั้งปอปัญหาถามพระพุทธเจ้าว่าตถากคตตายแล้วเกิดหรือตถาตตายแล้วไม่เกิดหรือหลกเที่ยงหรือรลกไม่เที่ยงหรือมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดหรือันเป็นอภิญาต่าปัญหาตถาคตในที่นี้นี่ยมาเด็ดหมายถึงพระพุทธเจ้านะคําว่าตถาคตในบาลีในตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้า คาถากตะในที่นี้หมายถึงอาตมันอาตมันเรียกอีกไว้พุทธอีกอย่างหนึ่งว่าคถาคตเพราะนั้นตถาคตในคำนี้อย่าไปแปลว่าเป็นพุทธเจา้ามันจะเป็นสรรพนามที่พุทธเจา้ารงใช้สมาเรียกพระองค์เองไม่ใช่คาถาพุทธในปัญหาอภยากตะปัญหาอันเป็นทิฏฐิที่ปัญหาที่พุทธเจ้าไม่ตอบนี่หมายถึงอาตมันอัตาซึ่งเรียกว่าคถาคตอีกอย่างหนึงเหมือนกันอระพุทธเจ้ า, าจาึงไม่ตอบบอกว่า บังว่าเกิดอีกก็ไม่ควรมันหับว่ไม่เกิดก็ไม่ควรวัดจวัจะโคตร บ, บริสุททุกอ่งแล้วสงงว่าเอาจะเอาอยัางไงกันแน่นึกวจะมาหาพระธมนะโอดมแล้วพระธมะโอดมจะพยายามสอนให้มันเด็ดขาดไปส่วนไดส่วนหนึ่งนี่ก็ไม่พยายามนพาว่าเกิดอีกก็ไม่ควรไม่เกิดก็ไม่ควรมันง่ายกันแน่ไม่เข้าใจเลยจะเอาว่าไงก็ว่ากันให้มันเด็ดขาดกปเดชจะเกิดหรือไม่เกิดกัแน่ภรจยาบอกวจ๋าควรแล้วทีเธอจะสงสัยควรแล้วทีเธอจะตังขา ถ้าบัญหานี่เป็นปัญหาที่ลึกซึ้นที่สุดปัญหานี่เนี่ยนีเธอนติดอยู่ในพิธีสัตตพิธีถ้าเราต่อพยายากรเข้าว่าตายแล้วเกิดอีกก็จะเป็นการส่งสมพิธิของเธอว่าวิญญาณเพียงอาตมาเพียงพระธรรมน่าโอดมมารับรองวาระของเราถ้าเรามาพยากรอนว่าตายแล้วไม่เกิดอีกพวกที่เป็นอุเชตพิธิก็จะเพราะพอใจว่าพระธรมนาาโดมน่ะมาพยายามตั้งกรกติของเราดูก่อนวัชชะปัญหาคต กลาเป็นข้ามกลางว่าเป็นปฏิจจตสมุทตบารแสดงอวิชามีเท่าสังขารมีสังขารมีเท่าไรว่าไปเป็นตามดับอวิชามีเกิดสังขารเกิดเมื่อพิจารณาตามสายปฏิจจสมุทตบาทนี้แล้วจะดับได้ทั้งอุาทิฏฐิจะดับได้ทั้งอุเฉตทิฏฐิสแสดงอย่างนี้พระเชคุตรบริพารเชคก็เข้าใจนี่แหละการแดสดงโลกโลกโดยจะักปฏิจจสมุทตบารย์นเป็นการสแสดงหลักอณตาโดยตริยาณนั่นเอง ลักอนัตาก็เป็นการแสดงเรื่องกติกาทุนตุบาหลักกติกาทุนตุบาก็เป็นการแสดงยืนยันหลักอณัตาเพราะฉะนั้นในบาลีอนัตตลัคนาฏุถ้าเราพิจารณาดีว่าเพียงแต่กติกาแบบนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นอันนั้นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับให้เกิดใจเจ็บตายตามไปหลังไม่ได้เพียงแค่นี้แหละเป็นเหตุผลท่านขึ้นขึ้นนะเหตุผลทั้นปรัชญาต้องพิลักกติกามุนติบาอธิบายถ้าเป็นเหตุเหตุผลเพียงชั้นพื้นขึนแค่นี้ คุณบางคนจะอาจจะตั come, er itself, ้งข้อสงสัยเรได้ว่าเอาละเรายอมรับว่าเราบังคับให้เราเกิดแก่เจ็บตายตามใจหวังไม่ได้แต่ไมนต้องมีผู้ผู้บังคับผู้บังคับคือผู้รู้ไอ้รู้เกิดแก่เจ็บตายรูว่าตัวเราเกิดตัวเราแก่ตัวเราเจ็บตัวเราตายไอ้ตัวผู้รู้ตัวนี้มันน่าจะเป็นตนข้อนี้จริงต้องดับที่หลักปฏิจจัตุรูปบาตถ้าไม่ดับที่หลักปฏิจจัตุรูปบาตแล้วจะอธิบายหลักละตาให้ขาวไม่ได้การอธิบายหลักลตานั่นต้ออธิบายที่หลักปฏิจจัตุรูปบาท ยิ่งทำให้เข้าใจทราบถึงใน ห, หลักอนัตตาได้จะไปเพียงบอกกันง่ายๆบอว่าพอเราบังคับให้พุงมันหลอกตามใจก็ไม่ได้มันไม่หลอกตามใจก็ไม่ได้บังคับให้สวก็ไม่ได้แค่นี้เลพอเหตุผลแนี้งนยงไม่พอต้องเอาหลักปฏิจจสมุทบาทเข้าจับถ้าหลักปฏิจจสมุทบาทมาถ้าเราเข้าใจแล้วอนัตตาดิจันเองดินนั่นเองทุกสิ่งเป็นวงล้อวงล่าที่เป็นเชื่อมสาคัญกันหมดพขะพุทธเจาจึกล่ตวว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีถ้าสิ่งนั้นดับสิ่งนี้ก็ดับถ ถ้าสิ่งนั้นดแบบับสิ่งนี้ก็ดแบบับเมื่อทุกสิ่งมันเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้แล้วแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากกันก็อยู่ไม่ไดับเหมือนไม้อย่างสามขาถ้าชักออกมักตัวหนึ่งอีกสองอันก็ล้มเมื่อไม้อย่างเกิจากไม้สามอันมาชุกประชุมกันเขา้ากินมีผลทำให้เราแฝงข่ายของกระดานแนงหม้ออุ้งตุ่มก็ได้ผลประโยชน์ชันใ ด, ด, ด, ดถ้าความประชมุมแข่งเหตุปัจใจหรือแห่งขันธาตอายนะุระมาถึงพร้อมแล้วการมันหยัดทะพุคนึงเกิดขึ้น อะไรข้อนี้มันคนก็ตั้งข้อสงสัยต่อไปว่าอละยามรับหรือเปล่าขันห้ามาประชุมเกิดจัดตอนนี้ขันแต่ละขันหล่มมันมีตัวตนหรือเปล่าแยกทีละขันลูประคันเป็มเต็มไหมมีธนาขันเป็มเต็มไหมขันห้าเนื้อไม่เต็ต็มนี้แล้วแต่ขันแต่ละขันเต็มเต็มไหมถ้าไปนับต่ออย่างนั้นนะนี้ก็มีวิทีาพต่างอีกแหละในทังที่ตริกายขันสัตวังนี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าดูกรวิจิตังหลายการจะขันนี่เป็นไม่เป็นอัตานะเป็นอนัตตา ไม่เหตุปัจจัยที่ให้เกิดเป็นปัจจขันปัญหาพกเกิดขันเป็นอัตตาก็ไม่เหปัจจัยยังเป็นอัตตาแล้วมันจะขันจะเป็นผลเกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเป็นแสดงอย่างนี้นั่นก็คือถ้าการยึดถือเห็นว่าการประทุมพร้อมแห่งขันเป็นอัตตาเราไปยึดไปยึดว่าลูประคันเป็นอัตตาเวรนาขันเป็นอัตาาอตาคือไปยึดในส่วนส่วนปิติเจ้าไม่ยึดในส่วนลวมไปยุยยึดในส่วนปิตเจ้าเป็นอัตตาก็ไม่ใช่อัตตาอีก ถนูกระแขเนี่ยเกิดจากเด็กปัจจัยไปอีกชั้นหนึ่งในพนังเกิดจากเด็กปัจจัยไปอีกชั้นหนึ่งนับถอยจนข้าไปเรื่อยไม่มีสภาวะคงที่ในตัวมันเองเลยมันเป็นความเกี่ยวพันที่ซัดสลับซัดซ้อนเข้าไปตามลาดับแต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงให้สิงสถับสัดซ้อนเข้าไปตามลำดับนั้นก็แเห็นว่าเพียงแค่บัญญัติขันทาศยตนะแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับผู้มิปรัสนาปัญญาจะพิจารณาเพื่อทําลายอัตตาลุทธิ ถ้าไปพิจารณาถึงขั้นละเอียดลึกซึ้งเกินไปนั่นมันกลายเป็น่งชีววิทยาเคมีแล้ววิชาทางสายโลกในการแยกแยะแลกภาพตรีระล่างให้ออกเป็นอนูเป็นปรมานูเป็นพลังงานซึ่งปัจจุบันนี้วัฒนาการมันข้าเป็นนิวเคลียสขึ้นมาแล้วนิวเคลียสจะกลเป็นพลังงานเป็นเอเนร์จีเเอเนร์จีแล้วเอเนร์จีมวกดตายตัวนะครับเอเนร์จียังแตกาวตัวได้พลังงานนี่ยังแตกรลาวตัวได้ วิทยาศาสตร์สมัยก่อนคือกันว่าอ น, นุนี่เป็นอันติมาของวัตถุแต่สมัยต่อมาพิสูจน์ว่าอนุไม่ใช่อันติมาอ น, นุยังสามารถแยกตัวอีกเป็นเทรมานุเทอรมานุยังสามารถเจาลาำตัวเองเป็นไฟฟาบุไฟฟาลบไฟฟาบุไฟฟาลบยังสามารถสลายตัวเองมาเป็นรูกพลังงานเพราะแ่งพลังงานอันนี้นทให้ผิรูญบมานุบอมขึ้นมาได้เมื่อเอาพลังงาน ในรมชาติที่เหลือใช่เข้ามาประตุกับไป ฟ, ฟ้าบวกไฟฟ้าลบเกิดสตตร้างเป็นุกระเ บ, บิประมาณขึ้นมาเป็นการสักล้างทคดีฝ่ายวัตถุที่ถือว่า่าวัตถุเป็นอันติมาคือเป็นอนุหรือเป็นประมานนูอื่นอนกว่านั้นมาเป็นการสักล้างหรือสิ้นเชิงอันนี้ก็เท่ากับมายืนยันหลักอนุตาและพิจารณ า, ตาที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสภาวะในตัวมันเองคําว่าอนักตานี้ก็แปลว่าให้มีสภาวะในตัวมันเอง ไม่ไม่อย่าไปแปลเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตนอย่างเดียวคือถ้าไม่ใช่ตนอย่างเดียวน่ะมันมันถ้าไม่เกิดไปัญหาข้อสงสัยไม่สิ่นสุดว่าอะไรมันเป็นตนถ้าอันนี้ไม่ใช่ตนมันต้องมีตนแสดงว่าอย่างพวกนักอัตตะนิยมพึ่งแม่วาพระบางเหล่าในพุทธศาสนาอาจารย์บางท่านตกทรอยนี้ไปด้วยคือตั้งปัญหาถามบอว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงอัตตาอิอัตโนนาโผเนี่ยเนี่ยตาสตัวนะอัตาอ ต, นะตาที่พึ่งได้ตัวหนึ่งอัตตาที่พึงไม่ได้ตัวหนึ่ง ตนของตนเป็นที่ขึ้นของตนก็แสดงว่าจะต้องมีตนที่ขึ้นได้ตนที่ขึ้นได้นี่แหละเป็นอัตราธรรมสจ้ะแต่มีสิไม่มีจะแสด้อย่างนี้หรือว่าจะแสดงอัตนาอัตโนนาโถนี่ห้ามรู้ไม่ว่าพาติดข้อนี้พรจะไจ้าแสดงตามโลกกัมมูหารโลกกัมมูหานมาได้กแสดงในภูมิตาอธิธรรมมาเปโลกกัมอูหารก็ต้องแสดงตามภาษาของโลกว่าตนนี้ตนเป็นทีขึ้นของตนด้ว่าอย่างนั้น แต่อาจารย์ผู้ทอยากแจะคืออัตตาที่มาก็กดที่จะคิดไม่ได้ว่าคําำนี้แหละเท่ากับยืนยันมีอัตตาถ้าะมีอัตตาที่เป็นที่พึ่งได้ตัวหนึ่งอัตตาที่เป็นที่พึ่งไม่ได้ตัวหนึ่งอัตตาที่เป็นที่พึ่งไม่ได้น่ะได้แต่ขันห้าอัตตาตัวที่พึ่งได้น่ะเป็นคู่ครองขันห้าเป็นคู้ป่อยวางขันห้าและเป็นคู่ที่จะไปตัวเวความสุขในนิพพานอัตตาตัวนี้แหละพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธ การตีความพฤฤฤฤฤุะกคดแบบนี้เป็นการบิดผันพุทธมติฤฤฤฤล่าเข้าหาศาสนาพราหซึ่งเป็นฝ่อัตวาทีอ่าเพราะฉะนั้นการไปอนัตตาเราต้อยงยืนกันในข้อที่ว่าไม่มีกภาวะที่เป็นอยู่ด้วยตัวมันเองเพราะคำว่าอัตาเนะ่ยโดยอัตย่อหมายถึงภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวมันเองไปอนัตตานั้นเน่ยโดยความหมายก็หมายถึงปฏิเสธภาวะที่มีอยู่ตป็อยู่ด้วยตัวมันเอง ภาวะที่มีอยู่ก็มอยู่ด้วยตัวมันเองนะมีไม่ได้ทุกสิ่งสําเร็จจากเหตุจากปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไระที่จะเป็นอยู่ด้วยตัวมันเองหรอกมัเกี่ยวดองกันทั้งนั้นเกี่ยวดอง ก, ก, กันหมดเพราะอาการที่เกี่ยวดองกันหมดเนี่ยเราจึงดูประหน่อมมันคงที่อย่างกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ํำทุกวินาทีถ้าเราไปยือยู่ริมฝั่งแม่น้ำจะขย า, าวินาทีแรกก็ไม่ใช่น้ํามาววินาทีหลัง ไม่ใช่เลยมันหลายแล้วแต่สายหลายแล้วแต่สายแต่เนี่จากความเร็วของมันที่ถ่ายทอกมาไม่ขาดสายเนี่ยเราดูไป่งเป็นลําน้ําสายเดียวกันหมดไม่มีอะไรขาดตอนแต่ความจริงขาดตอนนื่อจากความเร็วอินไความถี่ยิบเล่นทันจักรสุของเราเนี่ยจับไม่ทันจึงเลี่ยให้เห็นว่าไม่ขาดตอนเป็นสายเนื่องหนงระดับกันไปหรือยังเตาตันแหน่งเนี่ยมองในตาเปล่าว่าเป็นแท่งคิดแต่นักวิทยาศาสตร์จะรู้ว่ามันเป็นแท่งคิดไปด่าทุประมาณนี้ก็มีมรรมมช่อว่า เสาเหนียวนีช่งว่างพุงไปหมดนะเสาเนียบเปนน้ละมันมีรูคุไม่หมดเลยมีรูคุ่ไม่หมดเป็นแข้งทึกไม่ได้เลยพุ่งไปหมดพุ่งไปหมดเท่านั้นนี่พุงไปหมดแต่อันนี้เนี่ยในเนี่ยนี่แหละพระพาทีธรรมโลกปริเฉทะูปิเสธทะก็เป็นอย่างเนี้ยหลักพรรมซึ่ใพิสูจน์ได้หลักเรื่องอนัตตาหักวัตถุก็เป็นก็มาเด็จับกันเป็นแข่งทึกเป็นกอนเป็นสภาวะแต่ว่ามันุกันไม่หมดคือหม้ยาว่า ไม่มีสภาวะาที่ยืนหากหนีแน่นอยู่ในตัวมันเองได้เลยมัอาศัปัจจัยเนี่ย อ, อย่างโต๊ะเนี่ยต้มีปริเฉททะลุถ้าว่าประมาณนี้ตัวหนึ่งกับประมาณตนตนึจะต ม, ะมีปริริเฉทะุขมีปริเฉททะลุขเา้นต้งห้งเนี่ยนไปหมดดูตาเปล่าว่งงมตห้โพุ่ี่ไหนมีมี พ, มมมพมมุ่ี่ไหนเลยเป็นทั้งขึ้นอย่เนี่ยแต่นายยาาร์รู้ดีว่ามีไร่หมดโต๊ะตัวเนี่ยฉันได้ ข้ษาสาธรรมะฉันก็รู้แต่ว่าคณะสัญญาบางอนัตตานี่แหละคณะสัญญาเราบางอนัตตาทำให้เราสำคัญสิทธิ์นิดว่าเออมันเป็นแห้งรึปแท้จริงไม่ได้เป็นแห้งรึเลยนี่หลักวิยาศาสตร์ก็มาพิสูจน์หลักเรื่องนัตตาในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลักอนัตตาจึงเป็นวิธีปฏิวัติของพระพุทธเจ้าในทางพิสดีหักล้างความเชือ่อเก่าๆที่ถือว่ามีอัตตาอันติมากอย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นวิธีการปฏิวัติวิธีการที่สามเด็กว่าเทรงบรรญัติขึ้นและที่ทำขึ้นใมา อันนี้ตีอย่างง่ายๆก็ได้แก่อริยสัจไม่ใช่อื่นไกลเลยอริยสัจในเรื่องอริยสัจนี่มีปัญหาถามอยู่ข้อหนึ่งว่าไ อ, อ้ทุกข์อริยสัจที่สมณะตาพายนอกศาสนะเขาไม่รู้กันมันต่รู้ว่าชาปิาปิทุขาราปิทุขารามปิทุขานี่เขาไม่รู้ครเขาไม่รู้เขาจะออกหัวนเรืองสีชีพตายอยู่ฝดาอยู่างทำทฌานกระทําทงไปเกเนพมรรคได้ยังไงแลวการที่พระุจามาตรัสว่าอนตเตศทเมตทำนีม่เคยตั้งมาก่อนว่ามีชาปิปิทุขาราปิทุขานี่ ถ้าคุณจาคืสงสัยต่างต่างไหมเมื่อเราตวดธรรมจักรปาฐะเนี่ยค้มเคยสงสยมาก่อนตรวจที่ตรงนี้ทำไมพระองค์กับว่าคณะสุเตสุธรมเนสุก็ชาติที่ทุกข์เขาเนณะรเหอย่านี้ก็ู้นนี่นะถ้าชาลาบรณะเป็นทกเนี่ยคณะธรที่เกิดกับผู้ศึกษาลู่กันทั้งนั้นเขาจึงจะหงาทางเนทุแต่ไปทาได้แค่ฌานสมาบัติเท่แล้วทาไมพระองค์จักบอกว่าถ้าชาลาบรณะทุกเนี่ยคณะลูสุเตสุธรมเสุทั้งหมดจงนั้นวะผมสัมานานก็ ตัวผมเองน่ะสงสปมานานแมยคุณข้อข้องใจหาทางแก้ปัญหานี้ไม่แจ่มเลยตังตัวเองเนี่ยไม่แจ่มเลยสงสัยตั้งแต่อายุสิบสีแล้วครับปัญหาข้อเนี่ยเมื่อสูดทามาจากปลาขาข้อนี่สงสัยมาเรื่อยเพิ่งจะมาแตกขักวเมื่อปีที่แล้วนี่เองเก็บอยู่ในใจตั้งนานหาทางอธิบายหาทงออกจนเล่าจนรอดที่มาแตกขัาเนี่ยคือไปจับแคล็ับอยู่อันหนึ่งดูไม่พบการเงินนี่เองนเทนี่เองที่ทรงแสดงไว้คือคาขโมไทย คำขหมดไทยแกปันติปตตาร์ทานาขันท่าทุกขาอันนี้คําที่เซ็พรมนาว่าใชา่จะลาพรณาเป็นคู่เนี่ยเป็นคำอย่างว่าพรมนาอย่างขอไปทีขอไปทีค่้ยๆว่าเร า, เ, เราไม่เคยไปเราไม่เคยไปอเมริกาและเราก็ไปปเ็นอเมริกาเป็นคนแรกสมมติ น, นะว่าคนไทยไม่เคยไปอเมริกามาก่อนเลยเลือกตัวอย่างตัวอย่างนั้ง่ายจังนั้นอคนที่เคยจเจร่วตัวโลเวเขาจังคนแรกคุยไปง่ายนี่ นีขี่จรวดโลลกประจคนแรกก็ต้องถือว่าเป็นคนที่คนแรในตงที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับแต่ตอนที่เขาจะพูดว่าฉันไปทียกประจันโลกประจัน ม, มีสภาวาอย่างไรเขาเขาจะไมู่เขาพูดก่อนมาว่าเขาไปอ เ, อเมริกานะบอกว่าจารวดของท่านสร้างที่เมืออเมริกาแล้วก็มีนักอวกาศอเมริกาเขสร้างแล้วก็ตั้งป่า ย, ยงารริงตรวดที่มาลัตฟอริดาหรือมรลัตอ่าเท็กัสทางใต้แห่งหนึ่ง แล้วขันว้นเราจะตรวจก็ขึ้นไปอยู่ในอวกาศผ่านประเทศต่างๆผ่านทวีตต่างๆในโลกมนุษย์เสร็จแล้วถึงจะออกไปสู่โลกพระจันกระทั่งไปหย่อนลงมาในโลกพันจันเขาพูดอย่างนี้ก็อนี่พูดอย่างนี้มนุษย์ในโลกซึ่งเป็นชาติอเมริกาชาติไทยชาติต่างๆก็ฟัง อ, ออกเขาพัฒนาถึงทุกประเทศในโลกเราเมื่อไปตรวจ้็ผ่านไปว่าผ่านผู้อีกอะไรบ้างประเทศอะไรบ้างใ น, ใ น, ปนแปกล้งเราเราก็รู้กันอยู่นี่แหละมาหูขึงเอาแต่เราที่ว่าดตรวจฉันรู้เลยพันจันแล้วตอนนี้เราหูขึงล่ะ ว่าโอ้เขาม็นคนแ ร, รกเขาเป็นยอดผจญคำพูดอย่างนี้ฉันได้เขาที่เเจ้ากวฉันนั้นทรงพละนาทุกขาริยสัตร์โดยพละนาโรือบัาติติทุกขาฉลาปิติทุกขาคนเมื่อไรเขารู้รอไอฉาเนี่ยพละนาก่อนเดี๋ยวมาถึงจุดสำคัญจุดสำคัญที่เป็นอนาจที่เตสมถเนีคือปันจุปาานขันธานทุกข า, า, า, า, าตอ น, นี้หละขมวดท้าตอ น, นี้แหละคล้ายๆกับว่านี่หละเป็นเริงไส้ทั่งอยู่ตรงนี้วิธีการอุปาทานที่เป็นไปในขันท่าเนี่ยเป็นทุกนี่เป็นนี่แหละเป็นทุก อันนี้แหละขันที่มีอุปาทานยึดถือนี่เป็นทุกนี่แหละเป็นอณุสูตรเต็มสูตรทำเต็มสูตข้อนี้ซึ่งสมมตหน้าพรามเราเอนไม่เคยฟังมาก่อนเลยไม่เคยฟังมาก่อนเลยเพราะทุกคนยึดถือตรงนั้นยึดถือแม้จะเกยลูปขันว่ะฉันไม่ยึดถือแหลแต่มายึดถือวิญญาณขันกายตายนี่ยมันคือวิญญาณหรืออาตมันอ่ะมันก็วิญญาณขันนั่นแหละแต่ว่าเป็นวิญญาณชนิดทีวมันละเอียดต่เป็นอย่างที่ว่าว่ากายที่สมเด็จที่พักผาายที่สมเด็จเต็มายกายที่สมเ็จที่สญา มันก็อ่านตาเป็นชั้นๆมันก็นมีไปพ้นในปิญญาขันหี่แหละเออหรือนี่หนีไคพนในสัญญาขันนี่แหละมี่ไ้นหรอกปพ้นขันห่านี่หระเพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจที่เราไปตั้งปัญหาสงสัยว่ า, าพระพุทธเจ้าทำไมคล้ายๆว่าวชาติชาลาบารณะคนอื่นเขาลูกเเองนมาถึงมาแบอกว่ามนเคตามมาแต่ตนก่อนอ่ไม่ใช่ตรงนั้นเลยครับแท้จริงอยู่ไอขมดท้ายแต่ก็ตึงเล่าออตามเหตุการณ์ดูขึ้นตั้งแต่ชั้นต่งค้ายๆว่า คุณจะไปตรวจลงในโลกขจัดแล้วก็ฉังผ่านอเมริกาผ่านยุโรผ่านแอฟริกาแล้วก็ออกหรือเป็นอวกาศนะแล้วก็ลงในเลิศในโลกขจัดนี่แหละจุดนี้อยู่ตรงนี้แต่ก่อนจะทิ้งจุดนี้แหละพัลนาสิง่งต่างๆมาก่อนที่คนณคนุณเขาลูกู่กันไปแล้วพัลนาอย่างนี้ก่อนแล้วมาขมวดท้ายตรงนี้องค์บรรจุตาธนาคารขาทุกขานี่เป็นนี่เป็นการทรงบัญญัพรวัติธรรมคื อ, ออรียสัตว์เนี่ยขึ้นใหม่ฉันตั้หาข้อสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์นี่ยไม่รู้แล้ว สมณะพาเล่าขาไม่รู้แล้วว่าปัญหานี่เป็นเหตุเกิดของทุกข์เขาไม่รู้เลยถ้าไม่รู้เขาจะมาละม า, างละรวย ล, ลกรวยละมีไปบวชในป่าทําไมพวกฤาษีอ่ะทําไมเราตอกได้ว่าปัญหาในพุทธศาสนากับปัญหาในศาสนาอื่นที่ในศาสนาคราหมเนี่ยต่างกันต่างกันไอ้ข้อที่ต่างกันมากคือข้อไหนพยะปัญหาเป็นปัญหาข้อปัญหาทุกชนิดปัญหาข้อโูดเขาเรียกวปัญหาข้อโูดเนี่ย เนี่ยปัญหาครอบปัญหาทุกประเภทเลเดียตามมาปัญหาก็ดีวิภาควาปัญหาก็ดีแต่ตู้ไปจ่ายวิภาคปัญหานี่แหละถ้าไม่มีวิภาควาปัญหาแล้วตามมาปัญหาก็ไมมีวิภาควาก็ไม่มีไม่นี้มันเกิดจากวิภาควาปัญหาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงทำว่ามีทำสองอย่างสองอย่างสองอย่างที่ควรละทำสองอย่างที่ควรเจริญมนะฮะทำสองอย่างที่ควรละทำสองอย่างที่ควรเจริญมทำสองอย่างที่ควรละอันควรแต่ปัญหาตะกิจคืออะไร อ, อวิชาจักภาวะปัญหาจากพุก็ะด้อย่างนี้อาวิชาจัพราะปัญหาจากเป na, ็นเป็นปัญหาตระกิจที่ควระเรีนอ่ะอ่าอบรมให้มีขึ้นอันเป็นภาวะภาวะตระกิจเนี่ยคืออะไรคือสมาธิจักอิจตนาจากสมาธิตริจตนาควรจะเรีลนอบรมให้มีขึ้นเพราะเหตุนั้นปัญหาอันเป็นเป็นทายแห่งทุกในนิเทศนี้ข้อสาคัญคือเตัวภาวะปัญหาอันเป็นพลเมษติ ความพอใจในเกิดแล้วเกิดอีกในทุกใจทุกน้อยเป็นตัวพววัฒนาติโดยตรงการมาตัญหาที่แจกรูปว่าความติดในรูปทุกตึงเสียงนี่อก็อย่างเดียวกับที่ผมเรียนมาในทุกอาวุธข้อแรกว่าเป็นการแจกรูกให้ฟังอย่างสามันแต่นี่แค่อยู่กุภาวะตัญหาเพราะวะตัญหาในจุดสำคัญซึ่งผมว่าน่าคามเหล่าอื่นมีกันทุกคนละ ก, กันไม่ได้เลยว่าไอติตัวยอยากจะให้มีอัตราเป็นผู้คนทุเป็นผู้สวยสุขมีพานเนี่ยไอความอยากจะให้มีตัวเป็นผู้คนทุกตีแหละมันเป็นปัญหาอันนี้แหละ เป็นอำนาจ ม, มุสุเมสุค์ทำเมสิค์ซึ่งพระองค์ไม่เคยฟังมาจากตางก่อนจากสมณพราหมณ์หล่าใดเลยเป็นผลห้นหนงทั้งหมดที่พระองค์เป็นคามพบว่าแท้จริงไอ้ความที่อยากจะให้มีตัวอยู่ในนิพพานอยากจะให้มีตั ว, ว, พพวเปนผู้ทนทุกข์เนไอ้ตัวนี้แหละเป็นหวัวโจกที่ทำให้ไม่ทนทุกข์กับไอ้ตัวนี้แหละเป็นหัวโตกอ่ะคนอื่นเขาอยากจะตกาไอ้ตัวนี้กันได้ต่พระธรรมมันอยากานิพพามก็ไอ้ตัวนี้มีไอ้ตัวนี้อยู่เพราะนั้ น, นพระองค์ได้คุเขาว่าไอ้ตัวอยากจะให้มีตัวอยู่นี่แหละตัวที่ทาให้คนเกิดความทิพ จริงใหละจริงือเป็นเราว่าในปัญหาบ่อเกดของทุกอันนี้ส่วนนีิโรธไม่ต้องไปดอไม่มีปัญหานิโรธเพราะว่าตัวการดับเพราะปัญหาได้จะเป็นนิโรธแล้วเป็นนิพานอันนี้ก็ต่างจากนิพานในศาสนาอื่นที่เขายังมีตัวอยู่ในนิพานพุทธศาสนาไม่มีตัวในนิพานดับตัวนิพานในศาสนาอื่นเขามีตัวนิพานในศาสนาพุทธมีตัวต่างกันอย่างนี้นะครับต่างกันกับที่นิพานในศาสนาอื่นเขามีตัวสี่เฉลยมีตัวคนเตลยนิพาน หลังจากตายแล้วนิทานเลยสักนะพุทธไม่มีตัวผู้สวยนิทานหลังจากตายแล้วต่างกันตรงนี้ต่างกันอย่างที่นนเรียว่า้นผมบังคูกเขาทิ้เดียวต่างกันนิ้เดียวเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้มนตร์บัญญัติมบัติอันดับที่เก้าไงครับสัญญาพระพุทธมิโรจนะนี่ว่าสัญญาณาสัญญาณน่ะพทุทธิธรรมน่ถึงขั้นนี้นะ่ะอุปาทานในอัตาาอาตานะเบาบางเต็มทีแล้วคือดับดับกายหยาบไปได้แล้ว ดับกายทิดมาได้ด้วยดับกายคิดตได้ด้วยแต่มาติดกายไอส้สัตว์หนิขัญยาดับไม่ลงพยายามดับมันเป็นขั้นขั้นแล้วนาะถึงขั้นเนล้อัญญาถึงขั้นเนื้อขัญญาเป็นขั้นขั้นแล้วขั้นแรกาตาสาันณ์ญายาญาติะหมายถึงว่าเอาจิตเพื่จากลูกกระดิ่งทั้งหมดปัญหาที่เป็นไตเแร์ลูกกระดิ่งไม่เอาหมดแล้วเอาจากบ้าเ ป, ป็ปนอารมณ์ว่างจากผู้กระดิ่งว่างจากผู้น้าลัก เอาความว่างจากรูปปัญหามาเป็นอารมณ์เอาความว่างจากรูปปัญหามาเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ไม่เอาติดนรูปนี้มิตรียว่าอาตาบานอัญญายาตนะไม่ใช่เอาช่องว่างนี้เป็นอารมณ์้วไม่ใช่นะครับถ้าเอาช่องว่างช่องหน้าต่างนั้นอารมณ์เดีวก็เป็นรูปปกติไปแล้วเป็นรูปเป็นเป็นรูปปกติไม่ใช่หมายถึงเอาความรู้สึกเพื่อจากรูปปกตินี้มิตรทุกประเภทศพูดง่ายว่า ละจากรูปปัญหาทั้งหมดรูปปัญหาแนววาทิ้งจากใจเลยเอาความว่างจากรูปปัญหาเป็นอารมณ์เป็นอาการสาลันใจจตนะเป็นอาการสาลันใจจตนะขายนี้เลื่อนม่อีกวิญญาณลังใจจตนะหมายความว่าเอาความรู้สึกกาหนดว่ากําหนดในความว่างไอความรู้ว่างนี่แหละเอานี้มาอยู่กับรู้เอารู้อยู่กับรู้ รู้ว่ารู้มีความรู้ว่ารู้ในความว่าเท่งในความรู้ว่านี้เป็นอารมณ์เรีว่าวิญญานนนณนำาจจตนะไม่ใช่ไดยเท่งวิญญาณเป็นดวงดวงอยู่ข้างหนอกว่านว่นไม่ใช่อย่า ง, งนั้นคนบางคนต่้งหนังสือไปเขียนเข้าใจผิดเขียนบอกว่าพุทธศา ส, าสานาสอนว่าวิญญาณนำาจจตนะวิญญาณยังมีที่สิ้นสุดก็แสดงว่ามีวิญญาณล่องลอยไปไม่มีขอบเขตมากมาย ก, ก, กายกองในสกลจักรวาลเท่งไอวิญญาณพวกนี้เป็นอารมณ์อธิบายอย่างนี้เขายุขันตรงไปเลยเป็นตัธรรมกสิริไม่เข้าใจหออรือพรูกปุมาบัตดเลยอธิบายแบบนี้ แปลว่าวิญญาณนั้นจจะปนาไปถึงวิญญาณที่ไม่มีสิ้นสุดติที่วิญญาณ่มีสิ้นสุดร่อ่งแล้วก็ะเท่งวิญญาณพวกนี้มาปึอารมณ์ยุ่งใหญ่ไม่เป็นสมาธิ่สมาบดเรางวพวกนี้แล้วก็ุ้มซ่านใหญ่ทีเดียวรู้ปรานยังไม่ได้อยา้ว่าอะไรเยกุปตาราสมาธิก็ไม่ได้แต่เร่งในแนวนี้แล้วก็ไม่ใช่วิญญาณในที่นี้นะไม้ไม่ได้หมายถึงวิญญาณเป็นดวงดวงในอากาศไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงความรู้ข้างในของตัวเองรู้ในความ ความรู้ในรูปฌานหนึ่งคือเรื่ อ, อ้ว่าขั้นแรกเอาความว่างจากผู้ปกติเป็นอารมณ์ขั้นสองกำหนดในความรู้ในความว่างนั้นเป็นอารมณ์ท่านนั้นแล้วท่านแสดงว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือเพราะอุปฌานอันดับแรกนะ่ะเพ่งความว่างจากผู้ปกติหมายถึงความว่างอันนี้ยไม่มีขอบเขตใช่ไหมความว่างอันนี้ขอบเขตไม่ได้ความว่างความว่างเป็นบัญญัต เป็นบรรยัติไ่เกเนสภาวะนะความว่างเป็นบัญญัติไม่เกิดสภาะนะวาาเญญาเภาะเพราะนั้นการเที่ยงความว่างเนี่ยไอ้ความรู้ที่เป็นไปในความว่างก็ต้องไม่มีขอบเขตไปด้วยควารู้ที่เที่ยงในบ้างแล้วก็ต้องมันไม่มีขอบเขตเรื่องเที่ยงความว่างมาเทีงความรู้ในความว่างนั้นถทีงรู้อยู่กับรู้ด้วยว่าวิญญาณัญญายทนะสมาบัติอันดับสามอยายนะมามาคิมกัญญายทนะหมายความว่าโยคาวจรวที่ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้ว เกิดความรู้สึกว่าแม้แต่ไอ้ความรุ่งอยู่กับรูนี่ยังใช้ไม่ได้เลยยังไปมีรูอยู่ยังมีตัวเสวยอยู่นี่แสดงว่าพู้กีดกันอลูพัชน่ะกำลังจะปล่อยวางตัวตนเต็มทีแล้วรูทุบที่ตัวตนทีละชั้นทีละชั้นจากดาบมหาละเอียดทีละขั้นทีละขั้นเป็นทีแล้วนะนี่ผู้ผู้ตั้งแต่อลูพัชขั้นหนึ่งี่เป็นเรื่องสัญญาทั้งนั้นเลยว่าเด็เกี่ยวกับไอ้ของ้ายนอกเป็นเรื่องสัญญาหมดเป็นเรื่องสัญญาสุดมีขอละเอียดละเกินมาทั้หมกแม้ยังมีรูอยู่ยัง้้าตบรู ต้องต้องดับไอตัวรู้นี่ให้ดับต้องพยายามดับก็พยายามเพ่งที่จะให้ดับรู้จึงเป็น อ, น อ, อนะคินกัญญาญาตนะคือเพ่งบอกว่าอะไรเรื่องหนึ่งก็ไม่มีอะไรเรืหนึ่งก็ไม่มีนรื่อหนึ่งก็ไม่มีพยายามให้เพ่งที่จะดับไปรู้ตัวนี้ในฐานะเป็นตัวสัญญาเป็นตัวเฉลยอยากจะดับขั้นเพ่งไปอีกก็เห็นว่าแท้จริงที่ยังมีไอใจตัวรู้อยู่นะ่ะก็เพราะมีไอใจสัญญาอยู่สัญญาในที่นี้ได้แก่ตัวสัมปรีดี เราท้าทายชนสกิดตัวสัมปริณีนะในตัวสัมปริณีต้องดับไปตัวสัมปริณีตัวนี้อีกขั้นจึงจะทําวามผิดในวัฏสงญาแต่เนื่องจากยังมีภวะปัญหาที่เป็นเชื่อเหลืออยู่ในใจไม่กล้าไปไอ้จักรวาลปัญหานี้เพราะฉนั้นพอได้ในวัฏสงยาแล้วแทนที่จะดับสงญาจริงๆกบดับไม่ลงกลายเป็นผีเข้าผีออกในสัญญาเป็นเป็นสัญญงยาชนิดที่ว่าหายไปแล้ก็ได้กระโผลขึ้นมา แล้วก็วุ้ยไสแล้วก็โผล่ขึ้นมาเรียกว่าผีเข้าผีออกสัญญาแบบนี้ไอ้ข้าไใฟ้ลาเนี่ยวับไปิบวับวิบวบไนี้ไอ้จะขารบอนตัวเนี้ยไปเลยแค่ทีเดียวก็ก็ไม่ขาดเส้ยดายพะข่าวขาดไปแล้วก็เอ้ยขาขาวไปแล้วมันจะมีอะไรเหลืออยู่ไม่ควรเสียดายตัวไม่กล้าปล่อยตัวคนที้มีเหลือเชื่อนิดนึงเหลือถี่นานสาหรับไปเสือลดของความสุขนี่ไอ้ควมรู้สึก่วงตัวที่จะมีตัวไปสือร้สุกยี่ห่วงนักหนาทีเดียละสิ่งอื่นละไหมดแล้วมันติดแคญาลี่ เพราะฉะนั้นในว่าสัญญาจึงดับสัญญาไม่ได้ตลอดจริงเป็นสัญญาผีข้าวผีออกเนี่ยปสมาบัดเดียวสมาบัตดผีข้าวผีออกจะมีก็ไม่เชิงจะไม่มีก็ไม่ใช่บบดนดันอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นในว่าสัญญาพอมาถึงพระพุทธเจ้พาพระพุทธเจ้าท่านจริงๆคิดทานจริเป็นสัญญาเลกยิสตินิโรธ ด, ดับสนิทเลยไม่ต้องผีข้าวผีออกอีกต่อกันละอิศวิป ต, ตัดขัข้วหัวไฟฟาเลยตัดทักขอขอกเลย เยาวชนอย่าออกมาค่อยๆเป็นเปิดติดิตเนียแค้มันเลื่อนี่เปิดผีเปิดอะไรนีสว่างอ้าวสว่างก็มันสว่างไปอเปิดอีกนี่ดีเิดอีกสว่ีกเปิดข้าวเปออกไฟฟ้ามันเช็คๆผมติเจ่าเอนีลำพังตัดมันเสียโอ้โหไฟนอกตัดเลยดูแลรอดสัญญาวยุทธายุตินิโรธอันนี้เป็นสัญญาวยุทธายตินิโรธพวกง่ายว่ะดับไปเสียผู้รู้สึกว่าอยากจะไปสวยกว่าุูกนิทานดับไปตัวนี้เสียเลิกกันเป็นสัญญาวุทธายุตินิโรธ ตัวดับตัวคู่เสยตัวอยากอยาเข้าไปเวยเนี่ยตัวนี้ดับหมดเป็นสัญญาเวททิตรวนีโรมอันนี้จริงเป็นหลักที่ทรงมันดับขึ้นใหม่ที่สมณะพราหมหล่าอื่นไม่เคยฟังมาก่อนเลยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนิโรธศัตรูในนิเพื่อในอาลีสัตจึงหมายถึงดับภาวะปัญ ห, ห, หาโดยตรงดับกามาตัญหากับวิคภาวะปัญหาโดยตริยาย เพราะต า, าแหงกามาตัญหาก็าดีต า, าแหงพราะไม่เพราะตัญหาก็าดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเพว่าตัญหาเนี่ยเป็นแม่บทสาคัญใหญ่เป็นตัวใหญ่ผสมณครนะางบอว่าผไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยฟังมาก่อนว่าการดับไอ้ตัวผู้อยากจะพ้นทุกข์นี่แหละมันเป็นตัวพ้นทุกข์ถ้าปราบได้ยันดับไอ้ตัวผู้อยากจะพ้นทุกข์ไม่ได้ปราบนั้นมันจะพ้นทุกข์แท่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาก่อนอันนี้ก็สรุว่าหลักอริยสัจสีเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพระองค์บัญญัติขึ้นมาใหม่นี่เป็นหลักการที่พุทธเจ้า้้ตังขึน คือหลักโดยการปฏิรูปหลักโดยการปฏิวัติแล้วก็หลักโดยการปรุงบันหยัดขึ้นมาใหม่เนี่ยวันนี้ก็พอทบุคคลเพียงคนนี้นะครับวันสําหรับวันนี้สองบุคคลของประเภทนี้ที่ท่านได้ที่ท่านได้ฌานที่จะเข้าได้ถ้าอาหารที่เป็นสุขตายตกเข้าขเข้านเยทวิตเตอร์มีโรคไม่ได้เข้าไม่ได้ เพรสัญญาเวทธิตนิโรธกับเป็นเรื่องวิชาณนากรีธาต้องผานรูปรูปรูปประชานรูปประชานมาเป็นตามลาดับขั้นดับสัญญาตั้งแต่หยาบจนละเอียดแล้วถึงจะเข้าสัญญาเวทธิตนิโรธได้พอออกจากนี้พอพอจะเข้าในวสัญญาจะมาสัญญาจตนะออกจากสัญญาเนี่ยวสัญญามาสัญญาจะตระเข้าแล้วเข้าสู่เข้าสู่สัญญาเวทธิตนิโรธต่อไปเลยต่อไปเลยเข้าต่อเลยเนี่ยจึงต้องได้จากผู้ที่เดชานนากรีธาต์มาแล้ว เพราะฉในสัญญาวัตถุิติโรตเนี่ยบุคคลที่เข้าสัญญาจะมาบัตดอย่างนี้จึงไม่ต่างแตกต่างอะไรกับคนตายแล้วคิดกันแต่ว่ามีลมอัดฝาฝักปัดฟ้าฝักับรูปวชีพิจิตรสีไม่แตกสลายอายุอุตมาอายุกับไอื่นยังมีอยู่วิญญาณไม่มีแล้วกิจในขณะนั้นไม่มีแล้วดับหมดแล้วไม่ต่างอะไรกับอนุตตาสิเสสานิขัามาตุคิดกันแต่ว่ายังนี้ไออื่นกับอายุรักษาตัวไป่เห็นเน่าไม่เห็นพังอยู่เท่านั้นเอง น, นั่นันเหมือนกับอนุปาทิเสต า, านิพานไม่มีผิดเลยเพราะดับจิตตื่นเชิงนี่ิดดับต่นเชิงเลยในขณะนั้นไม่มีเลยเป็นการสวยลดของ น, นิพานอนุปาทิเสษา่าในขณะที่ยังเป็นเ็นขณะนั้นไม่ใช่ตอุปาทิเสตานะอนุปาทิเสต่าที่พดยวเดัเดบจิตตื่นขณะนั้นดับจิตติ้นเชิงถ้าขันชัยถามมาว่า พระบรมศาสดาเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยข้ยานทั้ง3คืออตีตังษยานปัจจุบันปัจจุบันนังษยานอนาคตังษยานสองยานข้างต้นอัตมาไม่ค่อยเครือบแคลงสงสัยเท่าไหร่นักก็มีเรื่องราวต่างๆปรากฏเป็นประจักษ์ษยานอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วแต่มาสงสัยอนาคตังษยานว่าในเพุทธศาสดามีอนาคาาตังษยานจริงๆแล้วทําไมพระองค์ไม่ปรัสรยาตอนความเป็นไปของพุทธศาสนาหลังจากที่พระองค์ลี้ภานแล้ว ให้บริบูรณ์ครบถ้วนเช่นเรื่องการสังขยาชาข้างต่างๆหรือเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนานับตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งถึงยี่ิบห้าเช่นว่าต่อไปในอนาคตจะมีชนชาตินั้นชาตินี้จะต้องมาเป็นสาวุคของพระองค์หรือเมื่อชนชาติต่างๆมานับถือพุทธศาสนาของพระองค์แล้วจะต้องแตกแยกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ตามเรื่องที่อาจมาประมวลมาเพียงเล็กน้อยพระองค์อย่างฝ่าเป็นพระยังแล้วทําไมพระองค์จริงไม่ตรัสรยาตอนไว้ซึ่งเรื่องความแตกแยกของภาษาวกเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเรื่องหนึ่ง ถ้าพระองค์ปรัสพยากรไว้เสียต่อนบนาารรดาสาวกรุ่นหลังๆจะได้คิดป้องกันเหตุการณ์ดต่างๆไว้ไม่ให้เกิดแตกแยกกันเพราะเหตุผลบางที่ประมวลมานี่แหละจึงมีความสงสัยในอนาคตังสยานของกษัริย์สดาว่ามีความลึกซึ้งอย่างไรกันข้อนี้โปรดรับทราบด้วนะครับว่าพระเจามม้าทัมจะหมอดูอดจะได้มาตั้งหน้าพยากรมตอนหนึงลาวถกทนายภายพัฒนาโคตรไว้อนาทีของพระองค์เป็นเพียงแต่จะมาตั้งการที่ทางพนทุกขให้กศัตร เรื่องาอาาราวอนาคตจะโลกพราองค์ไม่ขวางโลกมีอาคาติสถานอันหนึง่แงแสดงว่าดูกรวิสุทธิหลายสถานโคตรในทะเลวิวาดจะโลกแต่โลกวิวาดจะเหล่าสักอย่างนี้สถานโคตรในวิวาดจะโลกหอกแต่โล ก, กมาวิวาดจะพระองค์นี่อันในข้ อ, อนี้มีความหมายว่าอย่างไรคือความหมายว่าเรื่องธรรมดาในโลกนะเรื่องแตกแยกแตกสมาธิเรื่องแยกวัตถิแยกในกายมหาญาณเท ร, าาาาระวิญญาณอะไรต่างๆออกมาหรือเรื่องราวของกุศลนาในอนาคตออกมา เป็นธรรมดาของโลกธรรมดาคนมีกิเลสใโลกต้องต่อย่างนี้ถ้าไม่พระองค์พยากรณ์แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์โทษผลอะไรเลือดแตกแง่ของตนอยจนได้เพราะเป็นเอกิเลสของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระองค์พระองค์จริงไม่ไม่พยากรณ์ทั้งที่แล้ก็ไม่พยากรณ์ไม่สนใอิทธิวิธิอย่างข้ามเรือไม่สนใจอย่างข้ามเรือเพาะะนั้นพรองจริงไม่ปฏิญาณว่าพระองค์เป็นสัพัญญูทุกอิริยาบถเอ่อไม่ไม่ปฏิญาณอย่างนี้มีพวกเดียวกี้นีคนตั้งปัญหาถามพุทธเจ้าบอกว่า พระธรรมนาโคดมเป็นสัพัญญูทุกอิริยาบถย่งนั้นหรือค่จาบไม่จริงปะฐานขไม่ได้เป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถไม่ใช่รู้อยู่เห็นอยู่ใชตาพิษฟุ้งพิษทุกอิริยาบถไม่ใช่ไม่ใช่เลยเมื่อจะทรงใช้กินใช้เมื่อไม่ทรงใช้ก็ไม่ไช้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าเหตุนั้นบางครั้งบางคราพระองค์ก็ต้องเจ็บป่วยทำไมพไม่ใช้อิิรักษาเลยล่ะก็ไม่ต้องเอาใช้ยาหยุดยาในหมอชีวกรักษาก็ดรักษาได้่องก็หายนี่ขับไล่เอาพาดไปอะท ก็ทำไมมังคั่ง <lớ> ม <dos en> ังคาให้เองต้องอดข้าวไม่เวสาลีเขาติด <h> ผ <Bau ly BLACK> ู้พ <expectations> ิจิกไถต้องฉันข้าวแดงข้าวที่เขาไข่ตังที่ก็าตากต้ขอข้าวพวกนายวกเลี้ยงมาเอาข้าวไปเลี้ยงมากินอ่ะเอามาฉันตังอาหารในเวลาติดผู้พิจิกไถทกอเมริกาอิสราเอลปบิมีาบจากอุตรดุลุกทวีตมาเลี้ยงสาวกว่าทั้งทังที่มันขโมยขามารับอาาทีาดุดันนะขโมคขลามารับอาษที่ติดเจ้าบอกว่าเห็นพรสงฆ์เงินเวสาลีอดอยางเหลืเกินแต่รับอาภาษไปบินถาบที่อุตรดุลุก เากินข้าวทิพย์กับมนุษย์ในอุตจาระรุภูวิษนะกินข้าวทิพย์อุดมสมบูรณ์เอาข้าวทิพย์มาแ จ, จกจากสาวกที่ค้ายจะอิ่นี้งที่ ม, มันมาค้นอจารในมอสาดีทาไมผู้เจ้าก็อ่านไว้อุดมวันนาสว ย, ยดีข า, า, านาสาวก้เจ้าจะขึ้กแผ่นดินอเอาเงดินขึ้นมากินให้ชลิิขึ้นแผ่นดินเอางอดิน้มากิ น, น, น, นก็จะเลี้ยงสาวกเลี้ยงให้อิ่มน้ำสัมดาผร้เจ้าก็อ่านไว้ทำไมอย่างนั้นเพราะ่งต่างๆเหล่านี่น่ะ มันเป็นธรรมดาของโลกโลกมันถึงการถึงข่าวคุเป็นการมของหยาดถึงการถึงขาวจะต้องเป็นก็ต้องเป็นพระองค์ไม่ถึงธรรมดาไม่ถึงธรรมดาถ้าถึงธรรมดาถึงธรรมดาแล้วพระองค์ใช่ท้าวิจฉขันขับไล่อาภาพนี้คถนี้ลยดีหรอพวกเราจะได้ม่ท้าวขันต่างกันไลยท่านองค์พระองค์ก็ต้องแตกดับไปการการการรามีการของมันเพราะฉะนั้นเรื่องราในอนาคตคต้มาจะแตกแยกเป็นมหายานมินยานจะมีรื่อราเป็นภัยกระตายชนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นน่ะพระองค์ไม่ห่วงเลยยายเครับ ไม่หวงไม่ยายหรอกปล่อยวางหมดแล้วเป็นเ่องธรรมดาของสังขารต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมีเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับถึงแต่กางทํามาไปจนสิน้นแล้วก<อ>็กอง์จะมาขวางว่าโดยขยายน้องลกหน่าโดยความโงได้าศาสน า, ศาทำไมถ้าเขาไปขยายนองโยามหงจยิ่งดให้เห็นว่าพระองค์ยังคิเหอุปาทานยลักษณ์อยาห่ว ง, วงยังาารักอย่าแนในศาสนาเขาพวกองค์ยังมีแตอิจฉากับทํามเห็นว่าไม่มีพระปัญญาคุณแต่การที่ไม่พยากรต่อิจฉาทำไเห็นว่าพระองค์หนะ่าวาแล้จริงๆแม่ไฟศาสนาอันเว ภาษาลูกคันมีทรักแล้วพระองค์ก็ใจกว้างไม่ใช่ว่าไม่เช่วยช่วยท่านก็จะช่วยได้แต่เมื่เป็นธรรมดาของตําอของตัดตัวใครตัวมันอย่างนี้แล้วหน้าที่กรรจะจัดสรรตามตามตามคราวตามสมัยต้องมีอันเป็นแล้วพระองค์ก็ขีดขวางไม่ได้อย่างไม่สามารถจะไปกีปดขวางห่างพิภูตะพักไปข่าจักยรยานยนั่นแหละท่านท่านสี่ข้าวมาถึงสามครั้งก็ต้องปล่อยฉันใดเรื่องนี้หรือันนั้นกินกันยายตะนะกับอารมณ์อนิทานต่างกันอย่างไรนะฮะ อารมณ์เขาอะกินกันใจเตนาเน่ยหมายความว่าพยายามจะดับไอตัวรู้ไอตัวที่รู้อามีความว่างเนี่ยตัวรู้เนี่ยไอตัวนี้คือตัววิญญาณเนี่ยไอตัววิญญาณนั้นตนหนิแหละพยายามจะดับไอตัววิญญาณนั้นตนะว่านินก็ไม่มีนิดนึงก็มีดับดับันดับไปดับไปดนก็ไม่มีก็ไม่มีันไม่อยากรู้อะไรทังนั้นละดับไปดับไปเนี่ยเพ่งเลยไม่ง่ายเนี่ยอารมณ์ไม่มีานะมันจะดับไอตัวนี้อารมณ์ไม่มีพานะหมายถึงอารมณ์ที่ลว่างหมดแล้ว ดับหมดแล้วดับหมดเลยครับไม่มีอะไรดับว่างวางหมดจะไม่ใช่ว่างอาอากาศนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าอากาศว่างในมีพานนที่นี้หมายจะว่างจากปัญหาอากาศมีปัญหาว่างไปหมดเป็น <S <S มีฐานใครว่างจากปัญหาเลยครับติดว่างจากปัญหาไม่ได้จิตเป็นมีฐานไม่ได้อากาศที่ว่างมันเป็นกิริยาของจิต หาไม่มีนะจิตทำไมไ ม, ไม่ใช่ไมใ่อารมณ์นิพานนะครับตัวจิตไม่ใชตัวนพานแต่แต่จิตเอานิพพานเป็นอารมณ์จิตเอานิพพานในอารมณ์เอากลามว่างเป็นอารมณ์จิตเอากลารเล่าเอากลามยากเป็นอารมณ์จิตเนี่ยกกสิครับขณะที่มีนิพพานในอารมณ์ปัญก็ไม่เกิดสิครับตั้งใหม่มาตั้งปัญหาใหม่สิครับผมท่าไม่เข้าใจ ใช่ครับ้ารคการไดาัยคามม่ใะให้ราเป็นงเดียวะถามว่าเป็นไายอ่าใช่กรคไม่ให้้ม่ว่าคว่จาราไม่ใช่ครับคืออย่งนี้นะตีอุกมาอย่างนี้อ่าเราไม่ทิเป็นตัว อาการที่ข่ายที่ข่ายนี้เมืนกิเลสตัวเรานี่เป็นจิตแล้วอาการที่เราอาบน้านชำระที่ขายออกตัวใเบาสย่างสบายในขณะนั้นรู้สึ ก, กว่าบเบาจัดบาขึ้นมาสะอาดขึ้นความสะอาดเกิดขึ้ น, นตัวเราเนี่ยถามว่าความสะอาดกับตัวเราเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับในขณะนั้น่ะความสว่างความความสะอาดกับตัวเราเป็นอันเดียวกันหรือครับอ้ว า, าวาาไม่ใช่อันเดียวกันเลยครับ ครับครับครับครับจิตนี้ธรรมทานถูกแล้วจิตตัวจิตตัวธรรานแต่จิตเอาอารมณ์อนิทานเป็นอารมณ์ครับให้ความสะอาดเกิดขึ้นในขณะนั้นความสะอาดก็คืตัวเรา ความสะอาดนะเขาจะพูดว่าเป็นฝ้ามันยานามที่ว่าเก้าอี้สะอาดความสะอาดก็ไม่ใช่ตัวเก้าอี้แต่มันเกิดก็เก้าอี้ตามหลักของตักกะนะฮะยังกับความอิ่มความอิ่มกับตัวคนอิ่มเนี่ยเป็นอันเดียวกนหรือเปล่าครับไอ้ความอิ่มกับตัผู้อิ่มเนี่ยเราจะว่าคนละอันก็ไม่ได้มันเกิดกับคนนนั้นเรารู้จักความอิ่มก็ต้องมีตัวผู้อิ่มเป็นตะขัตฐานให้เรารู้จักนะเดียวกันความอิ่มจะเกิดขึ้นไดมีตัวผู้อิ่มไม่ได้ แล้วตัวผู้อิ่มจะเป็นอันเดียกับความอิ่นไม่ได้ถ้าตัวผู้อิ่มเป็นอันเรียกับความอิ่นแล้วตัวผู้อิ่มก็จะมีความอิ่นตลอดการไม่นี้ไม่ได้รู้จักผิวเลยก็ต้องิ่มอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะการที่ตัวผู้อิ่มนะไม่สามารถจะอิ่มอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันได้ก็แสดงว่าความอิ่มมันต่างจากตัวผู้อิ่มโอ้ไปนั่นไม่ทัาไม่ได้สิครับต่างจากจิตแม่ได้ ได้ครับบางกันที่ว่าอจินจันยัจพรรนาพยายามจะดับไปตัวรู้ดับไปตัวติตแต่ดับไม่ตลอดคือปฏิเสธว่านิดนึงก็ไม่มีนิดนึงก็ไม่มีไอ้นิดหนึงที่นี่มาที่ตัวรู้ของข้าน่ะนิดนึ่งก็พยายามจะให้มันนี่นี่ตัวรู้ของข้าน่ะนิดหนึ่งก็พยายามจะให้มันไม่นี่ว่าอย่างนี้ตัวนิพพานอ่ะ ดับปัญหาตัญหาไม่มีไอตัวรู้นี่มันก็ไม่มียังมีปัญหาอยู่ซึ่งตัวเองก็ไม่ร right. cool. ู้ว่ามีเชื่อปัญหาอยู่ข้างในไม่รู้หรอกนึกว่าอาการดับตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นไ้เห็นในคนได้แต่ที่จริงตัวยังหวงอยู่ห่วงตัวรู้ว่าอยู่หัวห่วอยู่ในขั้นสุขุมนะแต่นิพานอ่ะเอาความที่อาการที่ตัญหาดับมาเป็นอารมณ์อาการอาการที่ตัญหาดับเป็นนิพานแล้วก็อจิดเอาอาการตัญหาดับนี่แหละมาเป็นอารมณ์เหมือนหนึ่งคนกินข้าวและความอิ่มเกิดขึ้น อาการกินข้าวมันจะเล่นมักนะฮะความอิ่มเกิดขึ้นเน่ยมันนิทานเมื่อถึงมักถึงผลแล้วกินข้าวลงกระเพาะเป็นกระเพา ะ, พะพแล้วความอิ่มเกิดอาการที่ความอิ่มเกิดนะั้นเปรี้บมันจะมีความาาซึ่งเกิดกับคนพวกนั้นหลังจากกินข้าวอิ่แล้วอาการที่กินข้าวเน่ยเป็นมักเป็นผลที่เขาจเจริญขึ้นมาตามลำดับเนี่ยเพราะฉะนั้นนิทานคือความอิ่มกินไม่ใช่ตัวผู้นั้นไม่ใช่ตัวผู้อื่มถ้านิทานเป็นตัวผู้อิ่นแล้วผู้นิทานเป็นจิตแรกแล้วก็ผู้อิ่มจะต้องอิ่มอยู่ตลอดกาลยิ อินมีตลอดการเลยไม่รู้จักคำว่ า, าหิวเลยการที่ตัวผู้อินนะ่ะยังรู้จักหิวได้อาหารใหญแล้วนั่นก็คือแสดงว่าความอินนะ่ะไม่ใช่ตัวผู้อินนี่เป็นยังไ น, นครับใช่ครับปัญหาดับปัญหาดับนีโ่โลกระดับในที่นี้า ม, มายถึงอาการแบบปัญหาด้วยวันีโ้โลกระด มิเโตนามริพน า, านัานงไวพวุิพานตัญหาขยโยมรดมีมรดโดอะอะอรารยะเปมุขคาโตวัตถุกัเโดมากมายก่ายกองเลยบไ ว, วพุของนิพาน่ะนะฮปัญหาดับนิพานปัญหาดับเปมีิพานครับใช่ครับพุกดับถ้าอ ย, อย่างนี้ครับเป็แแนแบบนี้เราเวลาเราพูดภาษ า, าเนี่ยพุกดับหมายถึงผลผลดับอลดับ แต่ปัญหาดับมาที่เหตุับนะฮะถ้าเราบอปัญหาดับเป็นมิพานอย่างนี้ต้องแสดงถึงจักปิตาติเตษะแต่ถ้าทิศดับเป็นมิพานหมายถึงอนุปาติเตษะก็องรวอย่างนี้นักจิตเป็นผู้เห็นมักกะจิตเป็นผู้เห็นคนรู้จิตเป็นผู้ถูกเราสิครับในขณะที่มักจิตเติดนี่นะมันทำจิตพร้อมกันในตัวเด็จ กำหนดรูทุกระสมไทยแล้วดับปัญหาด้วยพร้อกันเลยในขณะนั้นท่านตื่นเมือนโดกระที่ในขณะที่เราจุดไฟแฉดสว่างขึ้นน่ะอาการไหม้ใต้ปรากรดน้ํามันแห้งปรากรดแสงสว่างปรากรดความร้อนปลากรดทั้งสีสีอาการสี่อย่างนี้เกิดพร้อมขณะเดียวกันที่ไม่ขีดไฟจุดกระทปไปตะไปตะเกียงพอไฟจุดที่ใต้ตะเกียงปุ๊บมันทํามีปฏิกิริยาสี่อย่างขึ้นมาพร้อมกันเลยไม่ใตช่รว่างปลากรด ยามไร้าาการกดน้ำมันเริ่มแห้นี่คือแม้มันนึงตาตอ ม, มันไม่แห้งความจริงมันเริ่มเขาใหม่แล้ว ต, ติกิริยาทั้งยาวตาอน้ำมันเล่มดแล้วเขาใหม่้องเป็นิญาจีแรกที่ถูกความรงแล้วเพราะฉะนั้นติดสีในอันยสตร์ในมักขยานเนี่ยจึิงต้องถึงจุดในอยสตจสืบทอกันในขณะิดดวงเดียวนะฮะแต่แล้วก็จะหมดเพียงแค่นี้นะครับไม่มีไม่มีการไม่มีผู้ถามมาอีกแล้วนะ